อนาลโย ว, วาากันที่หนึ่งพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารโยแห่งวัดถ้ำกองเพลง จังหวัดอุดรธานีเสียงบรรยายโดยสุทธิวัฒน์ทิบุรพาควบคุมใจพระพุทธเจ้าว่าเราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทางทางออกจากโลกทางไปสวรรค์ก็ดีทางไปนิพพานก็ดีเราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้เท่านั้น ตนนั่นแหละพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้องทำเอาเองแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายพ้าสาวกทั้งหลายก็ทำเอาเองท้งนั้นตนแหละทำให้ตนตนจะออกจากโลกก็แม่นตนตั้งอกตั้งใจทำใส่ตนตนจะติดอยู่ในโลกก็แม่นใจของตอนไม่อยากตายเพราะหลงตนหลงตัวทางปฏิบัตินะเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้ว แล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนหรือครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็ไม่หนีจากกายคตาคือปัญจากรกรมาฐานนี่แหละต้องพิจารณาเราจะพิจารณานอกมันไปก็เป็นของนอกไปเสียไกลไปเสียเพื่อให้จิตให้ใจนั่นแหละรู้จักสกลกายอันนี้รู้จักก้อนอันนี้ว่ามันเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นของกลาง ไม่ใช่ของใครสักคนเหล่านี้ได้สมบัติอย่างดีคือสกปรกานี้มีตาหูจมูกลิ้นกาวดีมีใจดีได้สมบัติอันดีมาใช้เราจะใช้สอยมันเราจะเดินทางไปสวรรค์ก็ดีจะเดินทางไปนิพพานก็ดีต้องอาศัยอันนี้จะมีแต่ดวงจิตอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จอะไรทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าได้เทศนาว่าทำทั้งหลาย จะทำดีทำกุศลดีก็ใจนี่แหละเป็นผู้ถึงก่อนเป็นผู้ถึงพร้อมจะทำบาปอากุศลก็ใจนี่แหละจะผ่องแผ้วแจ่มใสเบิดบานก็ใจนี่แหละจะเศร้าหมองขุนมัวก็ใจนี่แหละใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลกจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขขันใจท่องแผ้ว ล, ล่ะก็พระพุทธเจ้าท่านว่ามนาสาเจปรสันเนนะ บุคคลผู้มีใจผ่องแผ้วดีแล้วแม้จะพูดอยู่ก็มีความสุขแม้จะทำอยู่ก็มีความสุขตัดโตนางสุขธรมเ น, นวติอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความสุขมีความสุขเหมือนเงาเทียมตนไปช้ายาวะอนุปายีนเหมือนเงาเทียมตนไปไปสวรรค์ก็ดีมามนุษย์ก็ดีเพราะเหตุนั้นแหละให้เราพากันตั้งใจอบรมตั้งสติไว้ที่ใจ ควบคุมใจให้มีสติสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวอยู่เสมอการทําการพูดการคิดก็อย่าให้มันผิดให้มันพลาดควบคุมให้มันถูกคันมันผิดมันพลาดเราก็มีสติยั้งไว้และปล่อยวางไม่เอามันทางผิดนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทางไปนรกทางไปสวรรค์ทางไปภูมโลกทางไปพระนิพพาน พระองค์ก็บอกไรแล้วให้วางกายให้เป็นสุจริตวาจาให้บริสุทธิ์ใจให้บริสุทธิ์นี่ทางไปสวรรค์ทางมามนุษย์ทางไปพระนิพพานให้บริสุทธิ์อย่างนี้ทางไปนรกนั้นเรียกว่าทุจริตนั้นทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ทางไปนรกเราจะเว้นเสียไม่ไปละรู้จักแล้วเราจะไปแต่ทางเทราบรื่น ทางสบายการเดินทางของกายว่าจาใจเท่านั้นแหละผู้ที่จะเที่ยวออกพบเอาชาตินับกับนับกับไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมาคือดวงจิตของเรานี่เองดวงจิตของเรานี่เอ ง, ง, อ ง, เ, เ, องเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรก่อแล้วก่อเล่าไม่เบื่อไม่นหนสักทีก็เป็นจิตของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอบรมจิตใจของเราให้ดีให้ใจรู้เสีย ใจนี่แหละมันเป็นผู้หลงจนนัพบนับชาติไม่ได้พบน้อยพบใหญ่เที่ยวอยู่ในสังสา ร, ระจักนี้จึงให้เข้าใจเสียว่าเจ้ากรรมในเวรคือใจตัวกรรมแน่นใจดวงใจอันเดียววิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรมแต่งกรรมเสียแล้วให้เวียนไหวเวียนเกิดอยู่ที่นี่ไม่มีเลิกไม่มีราเรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจแนะนาสั่งสอนใจ ทำใจของเราให้ผ่องแผ้วว่าเอาย่อๆนี่แหละกว้างขวางพอได้ยินมาพอแห่งแล้วเอาย่อๆควบคุมใจเท่านั้นละ่ะเดี๋ยวนี้ใจนี้เจ้าของนรกก็แม่นใจนี่แหละนรกก็แม่นใจนี่แหละคันมันไม่ดีล่ะก็ร้อนเป็นทุกข์เหมือนใจกระถาคันใจไม่ดีล่ะก็เหมือนกลุ้มมันเป็นทุกข์จนฆ่าตัวตายนี่แหละถือว่าเราเป็นเรา นี่เพราะใจนี่แหละไม่ใช่อื่นดอกเพราะมันไม่รู้ท่านเรียกว่าอาวิชชาตัวใจนี่แหละอวิชชาเราจึงควรสดับรับฟังแล้วก็ขนขวาพิจารณาไข่ครวนหาเหตุผลทุกมันมาจากไหนพิจารณาทุกก่อนทุกเป็นของจริงอันประเสริฐมันมาจากไหนผลขึ้นไปสีเห็นมาจากโง่นั่นแหละดวงจิตเป็นผู้โง่มันต้องเป็นมันต้องเดือดร้อน มันถึงใครมันถึงปรารถนามันถึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเกียรเพราะชังมันชังมันก็ไม่อยากเป็นแล้วก็หาของมาแก้ไขหาคิดอียงมาทาหนังเหี่ยวก็เอามาทาลอกหนังออกมันได้กี่วันมันก็เหี่ยวอย่างเก่านี่หาทางแก้ดูท่านว่าวิภวะวตัญหามันเป็นจับดวงใจเราสดับรับฟังอยู่อบรมอยู่ทุกวันนี้ ทำความเพียรอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอยากรู้จักใจของเรารันรู้แล้วก็คุมเอาแต่ใจนี่ขาดเกาเอาแต่นี่สั่งสอนเอาแต่นี่ให้มันรู้เท่าสังขานี้มันไม่รู้เพราะมันโง่ว่าแม่นหมดทั้งก้อนนี้เป็นตัวเราเป็นผู้หญิงผู้ชายยึดถือไปยึดถือออกไปรอบๆแผ่นดินยึดในตัวยังไม่พอยึดแผ่นดินออกไปอีกนี่แหละความหลงก็ยึดทั้งการงาน ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนวิชาศิละปะทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะทำนุบำรุงบำเรอครอบครัวของตนบำรุงบำเรอตนให้เป็นสุขบำรุงพระศาสนาข้ำจุนพระศาสนาก็เป็นการดีขอให้รู้เท่าแล้วอยากไปยึดมั่นเท่านั้นแหละในปรกิจจสมุดบาทท่านว่าอาวิชาให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนาม ท่าว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้นผลดับหมดถ้าทมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุทำทั้งหลายคือดีก็ดีชั่วก็ชั่วไหลมาแต่เหตุก็คือความโง่ความไม่เข้าใจคิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็ได้รับผลเป็นสูกเป็นทุกข์สื่อไปท่านเรียกว่าวัฏฏะการวนวนไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องเที่ยวอยู่นี่ตั้งแต่แผ่นดินเป็นแผ่นดินมาแล้วทุกคนนี่แหละ คุณหมอ ก, ก็ดีคุณหญิงก็ดีเกิดมาชาตินี้นับว่าบุญบา ร, รมีอันพวกท่านทั้งหลายได้อบรมศีลห้าศีลแปดรักษาอุโบสถรักษากรรมบสิทธิ์จงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดมาก็ไม่เป็นผู้เกียดขานไม่เป็นผู้มักนายมีความพอใจสแสวงหาวิชาศิลปะเสินะะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นสูงนี่ก็เพราะบุญกุศลของเราได้สร้างสมอบรมมาถึงว่าบุกเพ จะ ก, กัดกับบุญยตาคือบุญได้สร้างสมไปแล้วแต่การก่อนแล้วก็ได้เกิดในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรก็หมายเอาสกุลกายอันนี้หรือจะหมายเอาแผ่นดินฟ้าอากาศก็ได้หรือจะหมายเอาประเทศที่มีพุทธศาสนาตั้งมั่นถาวรและมีพระอาจารย์นักตราสแนะนำสั่งสอนได้อันนี้ก็ว่าประเทศอันสมควรพวกเราได้เคยอบรมสร้างสมบุญมาแล้วในหลายภบหลายชาติ จึงเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ได้เกิดในประเทศอันสมควรประเทศเราได้นับถือพุทธศาสนาตั้งแต่บรรพบุรุษจนตราบเท่าทุกวันนี้เราก็ได้นับถือพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งตนไว้ในที่ชอบคือตั้งตนไว้ในการสดับรับฟังทราบทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกก็ดีเพื่อกูลอุดหนุโลกให้เจริญได้เชื่อว่าเป็นผู้ทำอัตถะประโยชน์ประโยชน์ของตนก็ได้แล้ว ประโยชน์ของผู้อื่นของโลกก็ได้อยู่นี่แหละชื่อว่าตั้งตนไว้ในทางที่ชอบแล้วก็ตั้งตนอยู่ในศีลในการภาวนาตั้งตนอยู่ในการสับรับฟังนี่เรียกว่าอัจาสมมาปะณิธิตั้งตนในที่ชอบท่านกล่าวว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประเสริฐสุดให้มีสติควบคุมใจของตนอันนี้ก็ชื่อว่าตั้งตนไวในที่ชอบอย่างสูงสุดนี่แหละ ให้ควบคุมดวงจิตของเราให้รู้จักเสียเจ้ากรรมนายเวรคือดวงจิตของเรานี่แหละผีนรกก็เป็นดวงจิตอันนี้สวรรค์ก็เป็นดวงจิตอันนี้ภพมรโลกก็เป็นดวงจิตอันนี้ครั้นรู้จักแล้วก็ให้ทําความเพียรต่อจนเกิดนิพพาความเบื่อหน่ายในอัตภาพของตนที่เป็นมาหลายภพหลายชาติการเกิดเวียนไปวนมาก็ไม่ได้อะไรมีแต่การสะดับรับฟังมีแต่การบริจาคให้ทาน มีแต่สีนของตนเท่านั้นเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในติดตามไปกระบวนจิตของเราถุกพบถุกชาติเมื่อจิตมันทำความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืมใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่วบาปกรรมให้คิดดูขนาดนักโทษเขาลักก้นสะดมแล้วเขาก็ต้องหลบหนีไปหลบซ่อนอยู่ในป่าตามถ้นตามดงเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกตารวจไปจับเขาอันนั้นมันก็ไม่ผลดอ บาปนะ่ะชั้นใดก็ดีครั้นทําลงไปแล้วทําบาปอารรสนจิตเป็นผู้จําเอาไปตกนรกก็แม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ไปตกอัตภาพคือร่างกายของเหล่านี้มันก็นอนทับดินส่วนดินมันก็เป็นดินส่วนน้ํามันก็เป็นน้ําส่วนลมส่วนไฟของเก่ามันแพ้นพ้นแล้วก็กลับมาถือเอาดินเอาน้ําเอาของเก่าอีกเท่านั้นแหละแล้วก็มาใช้ดินน้ําลม นี่แหละเข้อบริบูรณ์แล้วเอามาใชในทางที่ดีที่ชอบก็เป็นเหตุให้ได้สําเร็จมากผลและพระนิพพานพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีก็อาศัยดินอันนี้แหละประเทศอันสมควรอันนี้แหละสาวกจะไปพระนิพพานตามพระพุทธองค์ก็าอาศัยอัตภาพอันนี้ครั้นไม่อาศัยอัตภาพอันนี้มีแต่ดวงจิตหรือมีแต่ร่างซื่ อ, อก็ไม่สําเร็จอะไรทั้งนั้นเหมือนกันทั้งนั้น พวกเทพพยาดาได้ชมวิมานชมความสุขอยู่ตลอดชีวิตชมบุญชมกุศลก็ทำเอามาเป็นมืองมนุษย์ครั้งจุติแล้วก็ได้ไปสวยบุญของตนครั้นหมดบุญแล้วก็ลงมาเมืองมนุษย์มาสร้างอีกแล้วแต่จะสร้างเอาอันชอบบุญก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบุญอันชอบบาป ก, ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบาปเหมือนพระเทวทัตนั้นต่างคนก็ต่างไปอย่างนั้น อาตมาบอกไว้เท่านั้นว่าให้มีสติควบคุมจิตสัตวนรกก็แม่นจิตสัตว์อเวจีก็แม่นจิตพระอินทร์พระพรหมก็แม่นจิตที่เข้าพันนิพพานก็แม่นจิตไม่ใช่ใครจิตไม่มีตัวไม่มีตนจิตเหมือนวอกนี่แหละแล้วแต่มันจะไปบังคับบัญชามันไม่ได้แล้วแต่มันจะตรงจะตนบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสีย อย่าไปยึดถือมันก็จิตนั่นแหละมันถือว่าตัวกูอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีเราถือว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงก็เม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่ามันไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนดอกแล้วพระพุทธเจ้าว่าให้วางเสียให้ดับวิญญาณเสียครั้นดับวิญญาณแล้วไม่ไปก่อพบกาะชาติอีกก็นั่นแหละพระนิพพานแหละแน่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นมันไม่อยู่ที่อื่นนรกมันก็อยู่นี่ นิพพานก็อยู่นี่อย่าเป็นคนที่อื่นอยา่าไปพิจารณาที่อื่นให้คนที่สกุลกายของตนให้มันเป็นอสุภะอสุพังให้มันเป็นของปฏิกูลให้เกิดนิพิธาความเมื่อไหนมา น, นั่นแหละแต่นีมันเห็นว่าเป็นของสวยของงามของดีดวงจิตนั้นเมื่อมีสติควบคุมมีสัมปชัญญะค้นหาเหตุผลใครควรอยู่มันเลยรู้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้ เป็นของปฏิกูลเป็นของเงาเปลือยผูกพังแล้วมันจะเกิดในพิทาความเบื่อหน่ายจิตนั่นแหละเบื่อหน่ายจิตเบื่อหน่ายจิตไม่ยึดมั่ น, นแล้วเรียกว่าจิตหลุดพ้นถึงวิมุตติวิมุตติคือความพ้นจากความยึดถือหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพ้นจากภพจากชาติเอา้าตั้งใจทาเอาอนาลโย ว, วากันที่สอง เรื่องขันพากันมาฟังมากไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังแล้วการฟังธรรมะบรรยายเปรียบได้แก่ ก, การเตรียมเครื่องทับสัมภาระสําหรับการทํางานขันเตรียมมาแล้วเครื่องคนเครื่องไก่ที่เตรียมมาแล้วไม่ทําก็ขึ้นสนิมเปล่าวันใดก็ดีการสดับรับสังโอวาทคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นแหละ ฉันเรเชื่อคำสอนของพระองค์แล้วเป็นผู้ดำเนินตามเป็นผู้ลงมือดำเนินตามเราเองกระทำด้วยตนเองเพราะเหตุนั้นจะว่าโดยย่อๆเท่านั้นแหละอัตมาไม่มีความพูดหลายเพราะอยู่ป่าอยู่ดงแต่ว่าให้ฝั่งย่อๆพอเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเป็นหลักในการปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายศาสนาคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตามตู้ตามใบลานอันนั้น เป็นเคพื่อนชี้บอกทางผู้ที่จะดำเนินตามศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกตธรรมอยู่จังเพาะใครจังเพาะเราแก่นของธรรมแท้อยู่ที่สติให้พากันหัดทําสติให้ดีให้สําเนีย๊ยให้แก่กล้าสติหนะักทำเท่าไหร่ไม่ผิดสติหนะักให้มันมีกําลังสติดีแล้วจิตมันจึงรวมเพราะสติคุ้มคลองจิตเพราะสติก็เม้นจิตนั่นแหละ หากุมลึกว่าครั้งใจนึกขึ้นก็ว่าสติก็ใจนั่นแหละเป็นผู้นึกขึ้นเรียกว่าสติเพราะสติก็แน่ใจนั่นแหละพวกเดียวกันทำให้มันดีแล้วไม่พลาดทำก็ไม่พลาดพูดก็ไม่พลาดคิดก็ไม่พลาดย่อมถูกไม่ผิดถ้ากันทำเอาทำแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์อยู่กับสติอันเดียวพระพุทธเจ้าว่าแล้ว ในโอวาตาติโมกไม่ใช่หรอือครั้นเทียบในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสาร จ, จักรท่องเที่ยวอยู่ในพื้นปฐพีรอยสัตว์ทั้งหลายไปรวมในรอยช้างเท่าอันเดียวมีรอยเท้าช้างเป็นใหญ่กว่าเขารวมกันราชสีอะไรลงไปรวมหมดฉันใดก็ดีธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันอยู่ในสติกุศลธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลาย จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยู่กับสติแล้วบุญกุศลข้อมูลกุศลทั้งหลายรวมอยู่ในตัวสติสติเป็นใหญ่เพราะเหตุนั้นขันรู้อย่างนี้แล้วว่าสติเป็นแก่นธรรมแก่นธรรมก็แม่นอันนี้อยู่สําหรับทุกคนทีเดียวทุกขณะมีอยู่ทุกคนพระพุทธเจ้าจะสารู้ของจริงผู้จะรู้เท่าตามความจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีอยู่ถูกรูปทุกนามแต่อาศัยว่าเราหลง จิตของเราเปรียนแต่เหมือนเด็กอ่อนอ่อนแออยู่เพราะเหตุ น, นั้นแหละสติเปลียนเหมือนพี่เลี้ยงก็เจ้าของนั่นแหละจิตนั่นแหละพอมันร ะ, ะลึกขึ้นก็เป็นสติแล้วสตินั้นอบรมจิตขันอบรม จ, น, รมจนมันรู้ท่อตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นหายความหลงความสว่างความหลงความสว่างนั้ น, น, นก็หลงเพราะไม่มีสติครั้นมีสติคุ้มครองหักทําให้มันแน่วแน่ให้มันแม่นยำให้มันสาเหนียดแล้ว มันจะรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างสติเป็นเครื่องตีคือตีสนิมของมันเปรียบดวงจิตเรียกว่าความหลงเรียกว่าอาวิชชาจิตนั่นแหละตัวอวิชชามันหลงเรียกอวิชชาจิตมันหลงที่สนิมมันก็อยู่กับอวิชชามันหลงนั่นแหละขี่สนิมโอบมันความหลงนั่นแหละแต่ก่อนจิตผ่องใสพระพุทธเจ้าถึงว่าจิตเดิมธรรมชาติเรื่องพระพักตรสอนแต่อาศัยอคตุ ก, กรกิเลส คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเข้ามาสัมผัสแล้วมันหลงไปตามจึงเป็นเหตุให้จิต น, นั้นเศร้าหมองขุ่นมัวไม่รู้เท่าอาวิชชาปัจจัยของมันความโง่เรียกอวิชชาเหมือนกันกันกบเหล็กเหล็กนั้นมันก็ดีๆอยู่นั่นแหละแต่สนิมมันเกิดขึ้นในเหล็กนั้นแต่เขาก็ตีขาดเ่าจนมันเป็นดาบผมได้ใช้การได้ถ้าไม่ตีมันก็อยู่อย่างนั้นสนิมก็กินเสียจนใช้นีได้ จิตของเราก็ดีอาศัยสติเป็นผู้ขัดเราอาศัยสติเป็นผู้ข่มครองเชื่อมัน่นอันที่จริงอาการตุกตากิเลสก็ไม่เป็นปัญหาคือรูปเสียงกลิ่นรสภาษาภายนอกไม่เป็นปัญหาข้อมูลและโมลเลของมันก็คือกามกามสวะอวิชชาสวะสามอันนี้เป็นอนุัยเป็นสนิมของมันเป็นสนิมหุ้มหอ่อให้จิตแต่มื่อมอ น, อนุษยอนุตการเพราะเห็นนี้แหละ เราหัดสติทำสติให้มีกำลังเมื่อสติมีกำลังแล้วจิตมันก็จะรู้เท่าตามความเป็นจริงครับในสติดีแล้วก็เกิดสัมปชัญญะเกิดรู้ตัวพร้อมก็หมายความว่าดวงปัญญานั่นแหละอย่างก็ว่าปัญญาก็ว่าสติความรู้ถึงพร้อมทำสองอย่างนี้เป็นของคู่กันพอเราละลึกถึงขึ้นแล้วสัมปชัญญะก็รู้ว่าถูกหรือผิดรู้พร้อมพร้อม จิตรู้พร้อมนี่แหละและอบรมดีแล้วมันจะมีกำลังความสามารถสามารถทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแ็งตลอดได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรก็ดีจิตดีเท่ากันมันสามารถอย่างไฟในบ้านมันมีกำลังจิตของเราไม่นอบรมดีแล้วมันมีกำลังมีกำลังที่สุดทีเดียวสามารถจะหอบประของหนักๆ น, นั้นออกจากไปได้ดับไฟได้แล้วไฟดับแล้ว จะหาสามสี่คนยังหา ม, มาไม่ไหวเลยกำลังจิตเท่านั้นแหละนะเพราะเหตุนั้นเราหัดดีแล้วก็ห อ, อได้ห อ, อได้เหมือนพระโมฆขนาดนเจ้าสงสัยว่าหออขึ้นก็นั่งอยู่นี่แหละแต่จิตนั้นไปสวรรค์ไป น, นรกไปนั่นไปนี่แต่ว่าไปได้จริงๆพอบเอากายไปได้จริงๆคิดดูเถอนั่นแหละให้พากันอบรมจิตพวกเราอะไรอะไรก็ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแล้ว พวกเราศัทธาทั้งหลายก็นับว่าเป็นผู้สูงเป็นผู้สูงอยู่แล้วศรัทธาก็มีอยู่แล้วได้สดับรับสั่งแล้วก็มีแต่จะเอาไปทําเท่านั้นแหละให้ทากับทําเอาทำทั้งหลายมันก็อยู่นี่แหละแก่นมนัะแทรก็คือสติให้ทําเอาทําให้มีกําลังครั้งสติดีแล้วมันรักษาจิตของมันไม่ให้สายออกไปตามอารมณ์สติขณะเข้ามาเข้ามาสติแก่กล้าเป็นอย่างนั้นแหละ ขันสงบลงแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญามันก็สายไปพอมันไปหลายๆครั้งมันก็เป็นอาการของมันมันไปตามแง่ของมันคือเวทนามันเป็นเพียงแสงของจิตสัญญามันเป็นแสงของจิตสังขารความปรุงมันเป็นแสงของจิตวิญญาณที่รู้ถวันทั้งหกก็เป็นแสงของจิตออกไปทั้งนั้นผู้รู้แท้ๆถ้าจะสมมุติว่าตนก็ไม่ใช่จิต เจ้าสตินั่นแหละสมมุติว่าตนนอกจากนั้นเป็นอาการทางนั้นรูปอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ธาตุประชุมกันธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟประชุมกันเท่านั้นดังนั้นมเมื่อจิตสงบลงไปเวทนาก็ดับแล้วพอมันสงบลงไปคนไม่มีอะไรหลักมันจะมาเจ็บมาทุกข์อะไรหลักมันจะมาจําคนไม่มีมันสว่างสว่างขึ้น เมื่อจิตสงบลงละมันสว่างโรกขึ้นความจำหมายก็ไม่มีความปรุงก็ไม่มีวิญญาณที่ไปรู้ทางทวารทั้งหกมันก็ไม่มีมันดักเองเพราะว่าขอไม่มีมันหมดแล้วของเหล่านี้เป็นของหนักขันไขยึดถือไว้เป็นของหนักไปถือขันถือรูปเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันนี้ก็ไปยึดไว้ไปยึดก็ได้ชื่อว่าถือหาบอันหนัก พระพุทธเจ้าท่าว่าผู้วางภาระคือวางไม่ยึดถือว่าขันห้าอันนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้วางภาระไม่ยึดไม่ถือแล้วต้องมีความสุขจะนั่งจะยืนเดินก็มีความสุขเมื่อไม่ถือเอาขันห้านี้เป็นภาระแล้วพอรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันแล้วไม่ยึดเอาถือเอาได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัดตัญหาได้ทั้งรากทั้งโคน เป็นผู้เที่ยงแล้วเที่ยงว่าจะได้เข้าสู่ความถุกตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เที่ยงแล้วเมื่อจิตมันรวมแล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงมันจะว่างว่างนั่นแหละพอจิตรวมแล้วมันก็ว่างค้นหาตัวไม่มีพอมันสงบแล้วปัญญามันเกิดขึ้นของมันเองครั้นมันสงบถึงฐานถึงที่มันถึงอัปนาแล้วมันเกิดขึ้นเองนะพอนึเท่านั้นมันุ่งฟงขึ้น มันปรุงแล้วมันไม่ไปยึดแสงสว่างสว่างหมดทั้งโลกนี้ก็ตามมันไม่ไปยึดมันต่วเข้าหาคนคนไหนอยู่ที่ไหนมันมาอวดว่าตนว่าตัวไล่เข้าไปถ้ามันรวมลงไปอย่างนั้นมันเอาศายสติควบคุมให้มันอยู่อย่าให้มันไปจิตรวมลงอย่างนี้แจ่มไสทีเดียวไม่ใช่เหมือนง่วงนอนไม่ใช่วิสัยของสมาธิอันนั้นล่ะมันแจ่มไสอย่างนั้นเรียกว่าสมาสมาธิ อันเป็นสมาธิอันถูกต้องแล้วก็แม่นมันนี่แหละแม่นจิตนั่นแหละเป็นตัวศีลละจิตนั้นหล่ะเป็นตัวสมาธิจิตนั่นหลักเป็นตัวปัญญาอันเดียวเท่านั้นหละ่ะมันจะถึงอธิจิตอธิศีลอ ธ, ธิปัญญาได้ก็อาศัยสติควบคุมพวกศรัทธาได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ผ่ากันตั้งใจทํามันไม่อยู่ที่อื่นนาะมันไม่ได้ไปหาเอาที่อื่นนาะอยู่จำเพาะใคร จำเพราะเหล่านี่นะไม่ได้ไปคว้าเอาที่ไหนดอกทําหนะักยกขึ้นก็ปล่าไปโลดเห็นไปโลดนึกขึ้นก็เห็นไปโลดแล้วก็ขุมสติเอามันจะรู้เองปัจจิตต่างนะสันทิตโกจะเห็นเองนั่นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาจิตของเราจะหายจากราคะแล้วก็รู้เฉพาะตนจิตของเรายังมีราคาก็รู้จิตมีโทรศัพท์ก็รู้ หายจากโทสะก็รู้จิตมีโมหะความหลงงมงายก็จะรู้จิตหายโมโหก็จะรู้จิตทดหูก็จะรู้จิตฟุ้งซ่านก็จะรู้รู้แล้วก็จะได้จัดการแก้ไขรู้ก็ดีจะได้เพิ่มศรัทธาเร่งรีบความเพียรเข้าอีกเอาละ้ากันทำเอาไม่อ้างที่อ้างฐานดอกอยู่ที่ไหนก็ได้เวลามันสงบ อนาลโยวาดกันที่สามหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีเสียงบรรยายโดยสุธิวัฒน์พิบุรพาเรื่องศีลเรื่องจิตนี่พวกฝรั่งเขาทำกันจริงจังๆเขาสนใจอยู่ป่านนั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่มาเอาทางภาวนายากจริง พวกนี้เขาทำกันหลายคนสนใจแท้เรื่องทำบุญรักษาศีลให้ทานก็เข้าใจหมดแล้วเรื่องภาวนามันสำคัญอบรมบ่มอินทรีย์อบรมกายนี่แหละอบรมใจของตนนี่แหละมันยากอยู่ครั้นอบรมได้แล้วไม่มีความเดือดร้อนใจเยือกเย็นใจสบายไม่มีความหวั่นไหว อวิชาคือใจดวงเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอาวิชาคือมันไม่รู้ต่อสิ่งทั้งปวงไม่รู้ในกองสังขารแล้วหลงยึดชอบเข้าก็หลงยึดไม่ชอบก็ยึดเข้ามาเผาตนมันไม่รู้มันจึงหวั่นไหวพวกเราพากันฝึกหัดใจของตนให้ดีพระพุทธเจ้าว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงพร้อมมีใจเป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสุดครั้นทรมานใจดีแล้วฝึกฝนดีแล้วอบรมดีแล้วมีใจประเสริฐสุดถ้าไม่ทรมานไม่ฝึกฝนอบรมอันนี้มันก็ทำพิษเผาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนมันเป็นเพราะใจนี่แหละใจไม่ดีใจไม่รู้เท่าใจโง่มนณสาเจปทุดเถนะใจอันมีโทษปทุดสาไลมันมีอยู่แล้ว เพราะราคะโทรศัพท์โมหะเระทุตสาหอยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขความสบายมีแต่ความเดือดร้อนผอผ่านท่านเปลี่ยบไว้เหมือนโคเข็นภาระอันหนักไปอยู่ใจไม่ดีแล้วผู้ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนแล้วทําไปตามความพอใจความชอบใจใจเศร้าหมองไม่มีความสุขยืนเดินนั่งนอนก็ไม่มีความสุข ใจที่อบรมดีแล้วฝึกฝนทรมานดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขพูดอยู่ก็เป็นสุขยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนมานาสาเจปสันเนนะบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ดีแล้วจิตผ่องใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามไปที่ไหนก็ตามความสุขย่อมติดตามไปทุกอริยบท ยืนเดินนั่งนอนพวกเราทำความเพียรฝึกฝนจิตใจของตนให้เอาสติประจำใจจะพูดก็ให้มีสติจะทำก็ให้มีสติจะคิดก็ให้มีสติควบคุมจิตใจของตนอย่าไปปล่อยสติคันไม่ปล่อยสติแล้วนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ความกุกใกล้ทางที่สุดทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าและใกล้เข้าใกล้เท่า พวกเราเหมือนกันกับการเดินทางไม่รู้ว่าจะเดินมาจากไหนนับวันนับคืนนับปีนับเดือนในทุน่นการเดินทางเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดเหมือนว่าเราจะไปกรุงเทพนั่นแหละเป็นที่สนุกสุขสบายเข้าใจว่ากรุงเทพเป็นเมืองพระนครเป็นเมืองสวรรค์อยากไปพวกเราอยากไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนั่นแหละว่าเป็นจุดอันเลิศ ว่าเป็นที่สิ้นสุดของทุกมีแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านไปแล้วจุดอันนั้นแหละเราเกิดมานี่ท เ, เที่ยวไปเั่วมาอยู่นี่นะไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งนั้นแหละไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการวันตายต้องการหาความสุขแต่หาไม่พบเพราะศรัทธาของเราไม่เพียงพอเชื่อไปตามการกิเลสประพฤติไปทางอื่น ไปทางโลกเสียทางธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เอาใส่ใจไม่มีความสนใจไม่พอใจที่จริงถึงเราไม่อยากไปก็ตามพระนิพพานะ่ะแต่ก็ควรปฏิบัติไว้อบรมไว้บางทีไปชาิหน้าชาติใหน่เราเกิดความเบื่อหน่ายอย่างใดอย่างหนึง่งเราจะกลับมาปฏิบัติมันจะได้บรรลุคุณวิเศษโดยเร็วไม่เฉื่อยช้าไป พวกเราได้คบหากับนักปราชญ์อาจารย์บ่อยๆสนใจบ่อยๆทําไปทําไปก็จะเป็นวันหนึ่งนั่นแหละจะได้รับผลอยู่นั่นแหละทําแล้วจะเปราะประโยชน์ไม่เปล่าดอกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพวกคุณหมอทั้งหลายได้ศึกษาวิชาศิลปศาสตร์มาแล้วก็ได้มาแล้วรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วก็ได้ผลเมื่อทําลงก็ได้รับผล มีผลตอบแทนอยู่อย่างนั้นลหละผลคือราบยศเพราะเรามีวิชาศิลปศาสตร์เพราะเราทำคุณงามความดีทางไปสู่ความสงบสุขนี่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วถ้าเรามีความสนใจพอใจตั้งใจทำก็คงได้รับผลตอบแทนเหมือนกันไม่ตอบแทนกันไม่มีดอกทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะความดีก็ดีความชั่วก็ดีตอบแทนเรือกัน ถ้าเราทำลงไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนขึ้นมากับตัวกับบอนนั่นแหละคนทั้งหลายเขาสงสัยว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมันไม่พิจารณาให้เห็นว่าทำแล้วก็ได้รับเหมือนกันในเรื่องนั้นเรื่องนั้นแหละพอทำเข้าแล้วก็เดือดร้อนหลักวิ่งเข้าป่าเข้าดงประโยชน์ตามท่ำตามเหวไม่มีที่ไหนจะพ้นดอกความชั่วนี่พวกเราเป็นผู้ทาความดีความชอบ อาชีพของเราเป็นไปเพื่อเป็นศีลเป็นธรรมไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็ได้รับความพอใจความชอบใจดีใจเห็นกันอยู่อย่างนั้นแล้วที่จะว่าไม่เป็นบุญเป็นบาปยังไงมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เป็นกับที่นั่นแหละผู้ให้ทานก็ได้รับความดีใจกันที่นั่นแหละผู้มีศีลก็ได้ความดีใจศีลห้าศีลแปดศีลสี 10. ศีลพระปฏิโมกข์ของพระคารวาสศีลห้าศีลแปดเราก็ศึกษาให้มันดีศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วไม่ยากเรื่องงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างนะพวกเราก็รู้แล้วเรื่องจะไม่ต้องสมาทานเอากับพระภิกษุสามาเณรก็ตามรู้แล้วเจตนางดเว้นเอาเรียกว่าวิรัติเจตนางดเว้นเอาเข้าใจแล้วไม่ต้องสมาทานก็ได้ เอาเจตนานี่แหละเราจะไม่ทำสมมติว่าสี่ห้าบาปห้าอย่างกรรมห้าอย่างนี้เราจะไม่ทำต่อไปเด็ดขาดนี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่พวกเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วควรรักษามันให้ดีเรื่องกรรมห้าอย่างนั้นลหละครั้งเวินวิรัตให้มันขาดลัดไปแล้วได้เชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรหมดภัยให้มันขาด5าอย่างเบื้องต้นนี้แหละพระพุทธเจ้าว่า มันไม่ใช่สีนะบาปหนาะเวนาครัภ์เวณห้าอย่างนี้เป็นสุจริตธรรมผู้หญิงผู้ชายก็ตามผู้น้อยผู้หนุ่มก็ตามผู้เท่าผู้แก่ก็ตามเป็นสมบัติของมนุษย์ตานาติปาตาปฏิวิรโยโหติให้มีเจตนางดเว้นอธินาธานาปฏิวิรโยโหติเจตนางดเว้นมีสติประจำใจ การเมือสุเมชาจราปฏิวิระตโหติให้เจตนางดเว้นมุสาวาธาปฏิวิระตโหติความไม่จริงจะไม่พูดพูดมีศักด์มีศีลคําที่ไม่จริงจะมีพูดต่อไปมีจึงพูดไม่มีไม่พูดสุราเมระยะมาช่าประมาทฐานาปฏิวิระตโหตินี่แหละห้าอย่างนี่แหละงดเว้นห้าอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกำรัหมดเว้น นี่เป็นเขาเป็นมูลของศีลทั้งหลายมันจะตั้งอยู่ได้ศีลแปดนั้นท่านเรารักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรดอกเป็นแต่เศร้าหมอ ง, อองสงา ม, ม, าามาสข้อเบื้องต้นนั่นแหละเป็นศีลสูงขึ้นไปรักษาไม่ได้มันก็ผ่าเศร้าหมองเท่านั้นศีลห้าข้อเบื้องต้นนั่นแหละเป็นที่สําคัญเว้นให้มันเด็ดขาดเรื่อยไปท่านจึงเปลี่ยนไว้เหมือนต้นไม้ทั้นไปตัดกิ่งก้านสาขาออกแล้วไม่ตาย มันต้องเป็นขึ้นอีกแต่กินก้านสาขาขึ้นอีกแต่ถ้าเราตัดลากเก้วมันแล้วมันตายไม่มีอะไรจะงอกขึ้นอีกต่อไปเขาหมุนมันก็คือสี่ห้าอัตมาจะพูดให้ฟังพูดสือๆนี่แหละสี น, นี่มีตัวเดียวเท่านั้นมีแจโวมเดียวเท่านั้นไม่มีอื่นอีกหมู่นั้นมันเป็นอาการมันถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลักไม่มันยาสาไถกับใคร นอกจากเมีของตนซึ่งอยู่ในปกครองของตนพูดแต่ความจริงไม่เดือุรายาเมานี่แหละห้าอย่างนี้มีแต่บาป ท, ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสิ้นว่าเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาก็ใจเท่านั้นแหละเจตนางดเว้นมีใจอันเดียวเท่านั้นแหละและให้สติควบคุมระวังจิตมันคิดจะทาอะไรก็ดีจะพูดอะไรก็ดี ไม่เป็นศีลเป็นธรรมก็มีสติยับยั้งรู้สึกตนสติคือความระลึกสัมปชัญญะความระลึกว่าถูกหรือผิดมันต้องตัดสินสัมปชัญญะเป็นผู้ตัดสินพวกเราให้หัดทำสติให้แน่นย้ำให้สำเนียแล้วจะทำอะไรก็ถูกต้องพูดถูกต้องคิดถูกต้องมันก็เป็นศีลแล้วเพียงศีลห้ามันก็ดีอยู่ศีลแปดเป็นวางครั้งวางคราวก็ได้อยู่ ขันรักษาให้ดีเป็นบริสุทธิ์แล้วได้อยู่ราชาก็ได้อยู่จักรพรรดิก็ได้อยู่มหาเศรษฐีก็ได้อยู่ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าพูดความจริงผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อหน้าที่ประชุมผู้มีศีลย่อมมีความสุขท่านบอกไว้นะเมื่อรับศีลด้วยปากแล้วท่านว่าสีเลนะสุขติยันติกุลบุตรผู้รักษาศีลถึงพร้อมด้วยศีลอันบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีความสุขแม้เขาจะไปคบหาสมาคมกับบริษัทใดๆบริษัทกษัตริย์ก็ตามบริษัทข้าบดีก็ตามบริษัทสมณภามก็ตามเป็นผู้องอาจกระหายไม่มีความขั้นถามต่อผู้คนเอคิดว่าเราบริสุทธิ์ดีแล้วถึงไม่มีความรู้ก็ตามไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษว่าเราเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดอย่างนั้นไม่กลัว แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกันคนผู้มีศีลแล้วย่อมใจเย็นจิตมันอย่างเข้าไปถึงกันสัตว์เดรฐานก็ตามสัตว์ใดๆก็ตามได้เห็นแล้วมันก็อย่างเข้าไปถึงกันเหมือนกันย่างกับไฟฟ้าไปถึงจิตถึงใจกันแล้วแล้วจิตของเรามันเย็นแล้วมันก็ไม่กลัวถ้ามันเห็นพวกคฤหิษที่เขาจะฆ่ามันแล้วมันไม่รอ มันวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปเลยนี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขศีนําความสุขมาตราดเท่าชลาศีลนําความสุขมาให้ตลอดชีวิตศีลนําความสุขไปให้ตลอดและมีสุขสติเป็นที่ไปสีเลนะโผล่ขสัมปทานผู้จากมังค่างบริบูรณ์ของบูรณ์ไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนก็เพราะเป็นผู้มีศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี่แหลเป็นแท้เป็นกรรมดีแท้ เป็นกรรมร้ายแท้ให้คิดดูถ้าบุญไม่มีแล้วบาปไม่มีแล้วมันเป็นเพราะกรรดีกรรมทั่วพระพุทธเจ้าว่าคนเกิดมาสัตว์เกิดมาในโลกนี้คงเพียงกันไม่มีสูงมีตำ่ำมีดำมีขาวถ้าขาวก็ขาวอย่างเดียวกันจะมั่งคัง่งก็มั่งคั่งอย่างเดียวกันจะจนก็จนอย่างเดียวกันโง่ก็โง่อย่างเดียวกันแต่ความจริงนี้มันมีสูงมีต่ำกว่ากัน มีต่ำลงมีสูงที่สุดเห็นเป็นพยานอยู่นี่แล้วจะโง่พวกโง่ก็ลืมตายผู้ฉลาดก็เหมือนพวกคุณหมอนี่ฉลาดจนก็จะลืมตายทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันละ่ะไม่เหมือนกันเพราะความประพฤตินั่นดรอกถ้าประพฤติดีมีการรักษาศีลให้ทานมีการสดกบรับฟังธรรมเขาจะมีปัญญาดีเขาเป็นผู้เล่าเรียนเพราะเหตุ น, นี้แหละเป็นเพราะกรรม กรรมเป็นผู้จําแนกแจกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างกันมันเป็นเพราะกรรมพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์บอกว่าตายแล้วศูนหรือตายแล้วเกิดอีกอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ไม่ว่าเราไม่พยากรณ์สักนี้มันจะเกิดอีกหรือไม่เกิดถ้ามันยังทํากรรมอยู่มันต้องได้รับผลของกรรมทํากรรมดีทํากรรมชั่วมันต้องได้รับผลตอบแทนอยู่ทําแล้ว จะไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นไม่มีคิดดูเหมือนเขายืมปากแจของเราไปเราก็ให้เขาจะต้องตอบแทนใช้ให้เราคันไม่ช่ให้ก็ต้องเป็นท่ายเป็นความกลักได้รับความเดือดร้อนเขาก็ต้องตอบแทนคิดดูเหมือนพวกที่เราเห็นกันถามกันตอบแทนกันทำดีตอบแทนกันอยู่อย่างนั้นผลร้ายก็ตอบแทนกันให้ได้รับความลาบากอยู่อย่างนั้นถ้ารักษาศีลดีแล้ว เมื่ออบรมสมาธิเข้ามันจะมีความสงบมันลงเร็วถ้ามันขัดค้่องก็หมายว่าศีลของเราข้อใดข้อหนึ่งมันผิดพลาดไปมันจึงขัดค้องมันไม่ลงถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเหมือนกับเขาจะปลูกบ้านปลูกช่องเขาจะปราบพื้นที่เสียก่อนชั้นใดก็ดีศีลพวกเรารักษาดีแล้วก็เหมือนปราบพื้นที่ไม่มีหลักมีตออะไรแล้วปลูกบ้านมันก็ดี ไม่มีความเดือดร้อนจิตมันก็ไม่มีความเดือดร้อนมันก็สงบสุขจิตรงอยู่เพราะมันเย็นมันราบลื่นไม่มีลุ่มมีดอนพากันไปทาอุตสาห์ทาไปอริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแล้วก็ไม่ใช่ของหนักของลำบากนึกเอาแต่ในใจจะเอาอะไรก็าตามแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตของเรามันถูกอันใด สะดวกใจสบายใจหายใจดีไม่ขัดขออ้องไม่ฝืดเคืองอันนั้นควรเอามาเป็นอารมณ์ของเราเอาพุโทโธพุโทโธหมายว่าให้ใจหยุดเอาพุโทโธเป็นอารมณ์นั่นแหละต้องการไม่ให้จิตมันออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกมันก็ไปจดจ่ออยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจดจ่ออยู่ที่นั่นจิตมันจึงไม่ลง พวกนี้เรียกว่านิวรณ์เรียกว่าเป็นมานถึงว่าให้มีสติอย่าให้มันไปกลุมมันไว้อยู่กับที่นี่ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระสงฆ์เป็นอารมณ์พุทโธธรรมโมสังโฆก็ตามหรือจะเอาอาัติอัติกระดูกกระดูกก็ตามให้นึกอยู่อย่างนั้นยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตาม เอามันอยู่อย่างนั้นแหละหลับไปแล้วก็แล้วไปมันก็เป็นของไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพระพุทธเจ้าก็ว่าไว้อยู่ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลงแม้ช่วงเวลาช้างพับหูหงูแลบลิ้นอานิสงก็อักโขอักขังทําไปมันมีสามสมาธิคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิคณิกะนี้เราบริกา ร, รไปบริกา ร, รไปว่าพุทโธก็ตาม อะไรก็ตามรู้สึกว่าสบายๆเข้าไปสักหน่อยจิตสงบลงเข้าไปสักหน่อยถอนขึ้นมาก็กลับเป็นอารมณ์เก่ามันนี่ขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิลงไปนานๆสักหน่อยถอนขึ้นมาอีกไปสู่อารมณ์อีกภาวนาไปภาวนาไปภาวนามาภาวนามาอย่าหยุดอ ย, ย่ายอนแล้วมันจะค่อยเป็นไปเองทําไปทําไปจะให้มันเสียผลมันไม่เสีย ต้องทําไปเป็นก็มีว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าแล้วแต่อย่าไปนึกว่าเมื่อไรมันจะลงจิตนี่อย่าไปนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรทําความเพียรเราทํำเพื่อจะเอาเนื้อและเลือดชีวิตจิตใจถาวายบูชาพระพุทธเจ้าถาวายบูชาพระธรรมถาวายบูชาพระสงฆ์ความอยากนี่ให้เข้าใจาว่านั่นแหละคือหน้าตาของปัญหาอยากให้มันเป็นอยากให้มันลงเร็วๆ อันนั้นมันตัวร้ายละ่ะหน้าดำละความอยากของมันมืดละให้ตั้งใจไว้เกียตนาว่าเป็นก็ไม่ว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าจะเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตจิตใจถาวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจา้าถ้าสงฆ์เจ้าตลอดวันตายอย่างนี้ได้ชื่อว่ามัชีมาปฏิปทาอยากมันเป็นปัญหาเสียยืนขวางหน้าเสียยิ่งไม่หลงละเอาละ ให้ทากันทําไป